คงเบเห็นหน่ะอุยเอียนแต่ครั้งแรกฟังเอาเตัวใทยประหารฟังตัดห hey ัวเฮยเพราะอุยเอียนแต่แล้วอย่างไรก็ตามมาคงเบ่งว่ามีลักษณะของความเป็นผู้ทรยศนี่คงเบ่งว่าไว้อย่างนี้ละ่ะแต่ความจริงนี่เราดูพฤติการอุยเอียนในตอนนี้ไมไ่เห็นจุดบกพร่องอุย เ, ยเ อ, อียนเลยอ้าว่ะอุยเอียนนี่คุ้มายมาสกัดพานอยู่ข้างหน้าโจโฉถอย เดอะทับมาเนี่ยก็มาเจอทับอุยเอียงก็ให้โจโฉก็ร้องขึ้นว่าท่านมาอยู่ด้วยเราเถิดเราใทบบาเหน็จแก่ท่านให้จุนมากโจโฉร้องให้บําเหน็จกลางทับแก่อุยเอียงโดยเชนนีก็ได้รู้เรื่องราวของอุยเอียงดีพอหนาสิาอุยเอียงเป็นยังไงเดอะทำฉันใดามาสองบ้านสองเมืองที่ผ่านมาแล้วอะไรจริงมาอยู่กับเราเปี่ยแต่ออุยเอียงนี่ได้ฟางโจโฉ ร้องให้บำเม็ดขึ้นนิดโกรธทีเดียวหมาโจโถได้ถ้อยคยําหยาบช้ามากไายหลายประการโจโถก็ขัดใจก็จึงให้บังเต็กบังเต็กนีบังเต็กนี่เป็นเพื่นเก่าสหายดั้งเดิมของมะเขียวโจโจ้ให้บังเต็กออกรบฝ่ายทหารทั้งสองข้างก็เข้ารบพุ่งไปพันกันทีเดียว ก็พอดีมีผู้ําขาวมาบอกไกโจโฉว่าบัตรนี้มาเขียวติดตามมาจะปล้นเอากองกลางกองหลังของเราแล้วมาเฉียวตามมาอีกแล้วโจโฉได้ฟันทอรกระบี่ออ ก, กวัดแกงเลยทีเดียวว่าถ้าทหารของเราผูดด้ใดท้อถอยเราจะฆ่าเสียนี่โจโฉออกประกาศสิทธนี้เลย ทหารทั้งปวมก็เข้ารถเสมือนหน้ากันไม่ได้ยอดทอ้อไม่ปลายขันมาถอยไปถอยหลังนี่ต้องตายดยีกระบีโจโฉนี่ฝ่ายอุยเอียนมันก็แกล้งทำหนีโจโฉค่อยฐานเข้ารถ ก, กับม้กเขียวอีกอส่วนตัวโจโฉนั้นขี่ม้ายืนอยู่บนเนินเขาดูฐานทั้งสองฝ่ายรบ ก, กันนั่นแหละอุเอียนนั่นที่หวัดถอยนะ่ะทําผีถอยไปเท่านั้นหรอก อุยเอียนถอยไปได้ที่พอประมาณแล้วเนี่ยก็ขวบมาวิ่งตรงรีเข้ามาใส่โจโฉเลยทีเดียวอุยเอียนเอาอย่างนี้อุยเอียนนี่ยอดทหารกล้าบ้าบินพุ้นทีเดียวขวบมาตะลุยพุ่งตรงเข้ามาแล้วก็ร้องว่ะเราชื่ออุยเอียนกลับมานี่แล้วนี่อุยเอียนร้องอย่างนี้ประกาศชื่แพ่แล้วก็เอาเกาพันยิงไปทีเดียวมันเป็นจังหวะพี่โจโฉเนี่ย หันมาหลบเกาทันนะแต่ก็หลบไม่ทันเกาทันมะ่ถูกปากโจโถเข้าให้ฟันหักไปสองซี่แล้วก็ได้ความรุนแรงพันหนหงายด้วยความตกใจรุนแรงของเกาทันยังไรก็ตามเตัวเมนเตตกจากหลังมาอุ้ยเียนเห็นดังนั้นก็ดีใจพิ้งเกาทันเสีะเพราะมือต้องควบมาด้วยต้องจับเกาทด้วยดิ ถึงเก่าทันจับเงาคู่มืเร่นเข้ามาเลยทีเดียขับมาไล่ตระเวนขึ้นมาบ น, นเขาจะจับตัวโจโ ถ, โถจะฆ่าโจโถให้ได้ขนาดนันก็พอดีบางเจคัน ม, มาเห็นเข้าบางเจเห็นอยเอียนกับมันกระรูพุ่งเข้าไปจะสังหารโจรโถดึวเงาวคู่มีอย่างนั้นน่ะบางเจก็ร้องตะโนกนขึ้นยลว่าท่านะทําทร้ายเจ้านายเราบางเจร้องอย่างนี้ แล้วก็ขับมา้าเขามาป้านหน้าพาฐานเขารบกันอุยเอียงเข้าไว้แกโจโฉไปได้ฝ่ายมาเฉียวมาเฉียวเห็นอย่านั้นก็พาฐานถอยไปหยุดหยุดฝ่ายบังเป็กกับฐ า, านน้ําพวงช่วยเจโฉพ้นอำนาจม า, มาเอาพ้นอํานาจอุยเอียงไปได้แล้วเอาก็พากันกลับเข้าไปไข่เร่งให้หมอมารักษาแผลที่ป่า ของโจโฉที่ถูกเกาทันเนี่ยมันนึก ด, ดูสิมันฟ้าหักพิกลล่ะโจโฉได้รับความเจบปวดยิ่งก็คิดจะถึงเอีย ว, วซิลคุณว่าให้เราถอยเออเราไม่ฟังฆ่าเอีลซิลไปแล้วเนี่ยก็คิดเสียดายอยู่ด้วยอย่างไรก็าตามเอียวซิลก็มีปัญญาแต่ก็เป็นด้วยว่าเอียวซิลเนี่ย มักกระทำอะไรโออวดค่มขู่ผู้อื่นอยู่ในทีเท่านี้แต่เราก็รู้แกโทรสัให้ฆ่าเนียโจโฉยังหวนคิดฉนันแล้วก็เลยให้ไปเอาศิษสะของเอวซือผิดเศียดประจานเลยเนี่ยเอาไปฝังเชียนี่เป็นการกระทำอย่างดีที่ถุกสำหรับผู้ที่ถูกฆ่าหร้อเจโฉก็สั่งให้ยกทักกลับให้บังเตก เป็นกองทัพรังหลังเป็นกองหลังบางเตกนีค่คนเก่งตอนนี้เราถอยแล้วก็ต้องให้คนเก่งคนสามารถไปอยู่เป็นกองหลัง่วนตัวโจโฉนั้นกบตัวยด้วยบาดแผลเกาทันทิ่ปากนั่นนอนมาในรถมีฐานซ้ายขวาต้องกันมาอย่างเข้มแข็ง ฝ่ายขุนบิเห็นว่าครั้งนี้โจโฉไม่ต้องทิ้งมือทันตรงแน่ละ่ะก็โคกหลนก็ย่อมจะต้องรู้สถานาการณ์ทุกบ้านทุกฝ่ายยอดเสนาธิการใหญ่นี่ก็จะต้องมีทหารไปสืบข่าวต่างๆนาปนราะการรายงานข้าวให้สราบทุกระยะตอนมมีโจโฉเป็นอย่างไร เหนื่อยท่าของตรงที่ส่งไปนะ่ะจเรงทํำไงห้องตรงทํำไงอุยเอียนทํำยังไงม่ามาเขียวทํายังไงเปี่ยวหุยทยําอย่างไรนี่พวกหลวก็ยังรู้แ จ, จ้งหมดและก็รู้ถึงความพลาดเฌอโฉทั้งสิ้นเนี่ยก็จึงประมาณเลยว่าโฌอโฉจะต้องทิ้งหันสงผองเรื่งทีใช้มาเขียวคุ้มทหารทั้งตัวเนี่ยแยกเป็นสิบล่าวออกสกัดรบต้มทั้งกลางวันกลางคืนอย่าได้ขาดทีเดียว เรียกว่าแต่งตั้งเป็นหน่วยกองโจนละ่ะเขาทำรายประตรูโจโฉจะไม่อาจตั้งอยู่ได้นานเพราะถูกเกาพันของอุยเอียนก็ย่อมจะต้องคลั้นคลามใจอยู่มีทางของเบงประมาณชนิแต่คนายิงทางโจโฉนะ่ถอยแล้วทีนี้กล่าวข้างโจโฉอี ม, มอนตัวมาในรถมีทหารายขวาป้องกันแน่นหนามาเนี่ โชโฉนะ่ะเจ็บปวดรวดร้าวนะจากบาดแหลกเอาทันทิ่ยิงถูกที่ปากทุกปากเน้่มันไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกฟันหักสองซี่มีสิกระมิดดูอึกเธจะเปรียดกัแล้วก็เหมือนเอาคอนทุกปากจนฟันหักแล้วนะโจเมงเต้เจ็บปวดรวดร้าวนะไปะยกสารออกจากเขาเศษตกหนึ่งไปไปถึงกลางทาง แก็มีผู้เข้ามาทูลว่าหุบเขาเสียกกนั้นบัดนี้เกิดเพลนไหมขึ้นแล้วคือตัวถอยมาแล้วละเอาใครเก่ า, กาของตอนตั้งที่เขาเสียกกถูกเผาแล้วโจโถก็เร่งให้ทารรีบหนีกลายมาเฉียวมาเฉียวผู้อาฆ า, าตพยาบาทเจโถเป็นที่ยิ่งนะักอาพรมมาเทงพ่อมาเฉียวตายด้วยโจโฉมาเฉียว เห็นว่าโจโฉแต่หนีไปครั้งไม่มีกำลังใจจะฟู cuanto, videos, ้รบแม่แล <Ka> ้วนี่มาเกียวได้รับคำสั่งจากคนเบ่งด้วยเนี่ยให้กระทาการนี้ก็ขมหืนเรื่องติดตามไปทีเดียวข้างโจโฉหนีนะก็รู้ก็เห็นว่าฐานทั้งปวงของคนอีกรวยอยู่เอแต่ก็ไม่อาจจะให้หยุดยั้งได้ไม่ใหไม่อาจจะให้พักพอได้ก็ต้องเร่งเหมือนกันเร่งหนีทั้งกลางวันกลางคืน ครั้นถึงเมืองเก่งเตียวแล้วก็จึงให้หยุดพักทหารอยู่ก่อนฝ่ายเหล่าปีคงเบ่งยกอับตามไปฟังให้เหล่าห้องเบ่งตัดและปนเส็งภูมิสามิาพักใหม่อนเส็งภูมิปนหุหะบัญชีของโจโฉ แต่ไม่อาจแกอยู่ได้เพราะเกรงแก่อาม่าที่หลงอ่ะอ่าก็เลยหนีมาอยู่กับเราปีนี่เอาเราปีก็ฟังให้เราฮอนเบิงตัดอองเป็งคุมฐานยกไปตีเมืองส่งยงฝ่ายสิงต่ำเจ้าเมืองส่งยงคันรู้ว่าโจโฉปราชัยแกเราปีหนีมาทันนี่โจโฉที่เมืองฮันส่งไปแล้ว ขิงต่ำเนี่ยก็มีอาจจะดผู้ ก, กับเราปีได้เหมือนกันไม่อาจจะทานกำลังทับเราปีได้ก็จิงพาบรรดาทาหารสมัครพระพวกทั้งปวงเนี่ยมาสามิพัฒนสมัครทําำราชการด้วยเราปีก็แปล เ, เราปีได้มึงฟงหยงอีกเมืองหนึ่งโดยง่ายครั้เนเมื่อเราปีได้มึงฟงหยงแล้วก็เกลี่ยกร่อมอนาประชารัฐดอนให้เป็นปกติแล้วก็ปูนบําเหน็จแก่ฐานทั้งปูน ตามความชอบขั้นชาวเมืองและขุนนางทั้งตัวก็คิดกันใคร่จะยกเล่าปีขึ้นเป็นเจ้าก็ชวนกันคิดอยู่ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรก็พากันเข้าไปหาขงเบ้งบักวักข้าพเจ้าชาวเมืองทั้งตัวงนี่เห็นพร้อมกันว่าจะให้เล่าปีเป็นเจ้านี่ถ้าเราจะกล่าวย้อนไปทางโจโฉบ้าง โจโฉก็ ố, รับการยกย่องจากเราขา้าทหารของตนให้ขึ้นเป็นวีกก่งก่อนอีกาตาํำแมงสงใหญ่แล้วก็ดยที่โจโฉรถทัพจับผุดครั้งสาคัญชนะได้แขวนตังฉวนคือฮันโงงทั้งปวนนี้แล้วเนี่ยอา้าวก็ได้ยกย่องให้ขึ้นเป็นเจ้าเหมือนกันแต่โจโฉถูกตำหนิมากมายหลายประการ นั่นจะว่ากันประการใดแขนใดอย่างไรเอาก็ว่ากันเอามาบัดนี้ก็ต้องกล่าวว่าสมภพพวกขังเราปีเนี่ยเอาชาวบ้านชาวมูลขึ้นนั่งคนจัดการทหารที่รักชอบเราปีอยู่ๆเนี่ยก็ที่เราปีขึ้นเป็นเจ้าเนี่ยคงเงบ้งได้ฟังเนี่ยก็จิงว่าใจเราก็คิดอยู่คงเบ้งก็คิดอยู่และก็จิงพาหัวเก่ง ทหารก่ามมองเสฉวนจะเรียกว่าเป็นผู้ร่วมคิดร่วมการคณะแรกที่เอามองเสฉวนมามอบให้เราปีก็ว่าได้ละเอกผมเองก็พาหัวเจงและทานทั้งสวงเหล่านี้ไปหาเหล่าปีแล้วก็กล่าวว่าอันโจโฉอาหารการทำศีลปัดมาสู้กับเราและหนีไปบัดนี้อนนาประชารัสดรก็หามีที่พึ่งใหม่ ปงก็เห็นว่าท่านประกอบด้วยความสัตย์ใจเผื่อแพ่ไปในแผ่นดินและชาวมูงเสฉวนชาวมูงตังฉวนคือฮันงสงสึ่งเป็นเมืองใหญ่ทั้งสองเนี่ยท่านก็ปราบได้ราบคาบเรียบร้อยสงบระงับดีแล้วคุนมางแต่ทหารชาวมูลทั้งหลายทั้งปวงปรึกษาเห็นพร้อมกันว่าท่า น, นี้ควรจะป้องกันตะกรูเป็นที่พึ่งได้ ขอเชิญท่านกลินเป็นเจ้าแก่ข้าบเจ้าทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เถิดนี่คงเปนเขาไปพูดจาดังนี้เ่าปีเด็กฟังนี้ก็ตกใจทีเดียวก็จึงว่าท่านมากล่าวคําดังนี้ผิดนะักเราเป็นเท้าพระวงพระเจ้าหินเตะจะมาทําดังนี้นี่เป็นขบถแต่ก็แผ่นดินเลยนี่ที่เราปีกล่าวดังนี้ ก็ทำให้เราประชาชนทั้งตัวมีความเห็นใจเราปีเป็นที่ยิ่งว่าที่เรล่าปีกระทําการทั้งๆทั้งตัวนี้ไม่ได้หมายจะช่วงจีนหรืะจะสมัตมิ์นี่เลยอาจเตื้อนทีกเต๊ะยกต้นไม่เทียบเผ่าองค์จักรพรรดิแต่อย่างใดต้องการที่จะกําบาปราบปรามรวบรวมอาณาจักรทั้งตัวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวให้ขึ้นต่อตองค์จัรพรัดิเฮี้ยนเต๋เราทุกคนในฝางก็เข้ใจกันดีเช่นนี้ เราปีนี้บอกว่าถ้าทำนี้จะนี่เป็นขบถแต่เป็นดินดยุบขอเด่งก็ตอบว่าหาเป็นเกณฑ์ใหม่ใหม่ได้บ้านเมืองทุกวันนี้เป็นจารา จ, จนต่างคนต่างก็แข็งมือเกิดรถพุ่งคลาบวันกันเป็นอันมากบัดนี้คนทั้งปวงก็หาที่พึ่งและท่านจะมาว่าดังนี้คนทั้งปวงจะไม่เสียใจหรือเราปีก็จึนตอบว่า น้ำใจเราทุกวันเนี่ยก็หายินดีที่จะเป็นเจ้ามาท่านจงปรึกษาหาที่พึ่งอีมเพดคนท่านพวงเรานั้นก็จิงที่วลอปีไม่ยอมรับคนท่านพวงก็ตรินว่าถ้าท่านไม่ยอมดังนี้ข้าพเจ้าทั้งปวงก็จะลาไป เบ่งยังไม่ยังไม่ยอมระสิทธิ์ให้เราปีเป็นเจ้าให้ได้ของเบ่งก็จึงพูดว่าถ้าเช่นนั้นขอเชิญท่านขึ้นเป็นเจ้าหันส ง, งข้าพเจ้าเห็นสมควรอยู่แล้วนี่นคือคืได้หันสงแล้วนี่ค่อยเป็นเจ้าหันสงเตียวล่อเจ้ามือหันสงคนก่อน ของมือหันสงอยู่กดตั้งตัวเป็นเจ้าเหมือนกันนะ่ะบัดนี้เราอของเบ่งจึงให้เราปีนะี่คือเป็นเจ้าเมือหันสงจะหันสงองนะว่าอย่างนั้นน่แต่เราปีก็จริงว่ายังหาไมีรับฝั่งตั้งให้เราเป็นเจ้าหมา่ท่านว่าดังนี้ก็เห็นเป็นการยกย่องกันเองมิบังควรของเบ่ก็จึงว่าท่านอย่าถืฝอฝากดีชนีเลยท่านจงทําตามคําที่ปรึกษา คงโดนไหวยอย่างนี้เลยหรือจะปักบดเอาดืด้อๆล่ะควายเตี้ยวหิผู้ดใดเห็้ปักแก่รอปีเป็นพี่น้องกันมาแต่ก่อนนั้นก็ร้องแก่คนทั้งปวงขึ้นทีเดียวว่าแต่คนแท่ออื่นยังขึ้นเป็น อ, องคเป็นเจ้าได้อันรอบปีพี่เราก็เป็นเชื้อพระวงศ์พระเจ้เฮียนเตะอย่าว่าแต่เป็นเจ้าหันโปงนี้เลยถึงจะเป็นเจ้าแผ่นดินในเมืองหลวงก็จะได้ เหตุใดจึงว่าไม่สมควรเรา hmm. เจีาหวยว่าอย่างนี้ความจริงก็ไม่มีใครสักคนเลที่ว่าไม่สมควรนะก็มีเราปีคนเดียวแหละที่ว่าไม่สมควรเราปีฟังแต่เตียงอีเตงรุ่นประวันคนจุดท้องจอมูทะุก็ทะลุขึ้นมายอย่างเนี้เราปีก็จึงประหวัดเอาที่เดียวว่าเจ้าจะได้พูดมากไปเลยเตียงหวยก็เงียบ เลาปีนั่นก็จึงพูดแกลาปีต่ตอบไยว่าท่านจงเป็นเจ้าหันสงก่อนเถอะข้าพเจ้าจใช้นังนือไปกราบภูมิก็จะเห็นเตะปลายหวันท่านเยาวิตโตดูเลยของเบงว่าดังนี้เลาปีก็มิสมัครรีรออยู่ฉะนั้นถึงสามครั้งครั้งเห็นว่าคงทั้งปวงว่ากล่าววิงวอนนะัขัดไม่ได้ก็จึงยอมเป็นเจ้าเมืองหันสง ตามคาปรึกษาตอก็อขึ้นเป็นเจ้าเมืองหันสงขนาดนั้นน่ะเป็นตอนที่พระเจ้าเย็ยนเตมาอยู่เมืองฮูโตโดได้ยี่สิบสี่ปีตรงกับปีพุทธศักราชเจ็ดร้อยหกสิบสองครั้นถึงเดือนเก้า ก็ให้มีการปลูกโรงพิธีมะหนอกเมืองฮันตงที่ตำบลไกยย่เอียงกว้างขวางด้วยก้าเส้นแล้วจึงยกขึ้นกระยาหารเส้นวัดเชิญเทพยาดาอารักษ์มาพร้อมกันเป็นที่ไชยมุงขนฝ่ายข่าวเจงกับหัวเจงนั้นก็เชิญรอบปีขึ้นบนโรงพิธีแล้วให้แต่งตัวตามสมควร ให้นั่งพินหน้าไปดูทิศตะวันออกขุนนางทั้งหลายทั้งปวงก็กราบลงพร้อมกันอวยใ้ให้พรตามธรรมยืนเราปีนั้นก็จิงตั้งเล่าเสี่ยนรัชธายาค์เล่าเลี่ยนผู้มุกให้เป็นเจ้าเหมือนกันแหละตั้งคงเด้งให้เป็นที่เสนาบดีผู้ใหญ่ในการสงคราม ตั้งขาวเจงหัวเจงเป็นพี่ปรึกษาตั้งกวนอูเตียวหุยจูลงมาเขียวหงตรงเป็นพี่ทหารเสือและตั้งอุยเอียนเป็นทหารเอกมีเมื่อตั้งคือเป็นเจ้าแล้วเอาก็ตั้งตั้งรำบบตำแหน่งคุณนางทุนาต่างๆนั้นมาว่ากันไป ให้หมาให้สมตามเกียรตตามยศที่ได้รับเนี่ยครั้นได้จัดแจงแต่งตั้งทหารสุกระทำความดีความชอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเรล่าปีก็จึงเห็นนี้ขึ้อไปกราบภูมิพระเจ้าอหินเตเป็นใจความหวาบันี้ข้าพเจ้าเรล่าปีตีได้มึงฮันสงมือเสฉวนได้แล้วฝ่ายทหารและไพร่พลเมืองทั้งปวง อันมีคงเด้งเป็นประธานปรึกษาพร้อมกันให้ยกขบเจ้าเป็นเจ้ามืองหันสมขบเจ้ากลัวความผิดเลยาหามีรับฟั่งไม่คนทั้งปวงก็มิฟังจินว่าถ้าขบเจ้าไม่ยอมเป็นเจ้าคนทั้งปวงต่างคนต่างก็ว่าจะไปจากขบเจ้าเสียให้สิ้นขบเจ้าเห็นว่าราชการสงครา ม, มนั้น ยังจะต้องกระทำต่อไปอยู่เกลือผู้คนเ่านี้จะระส่ารสายกลัวจะเสียระการไปกินยอมตามคำที่ตรษาข้าพเจ้ากระทามังอาจครั้งนี้นิควรนะอรอปีก็ให้มีหนังสือขึ้นไปดังนี้แล เ, เรอปีค่อฐานถือหนงสือไปมือฮหูเต โจโฉคือตอนนี้ก็เราโจโฉคอยพักกลับไปหูโตได้เรียบร้อยกลายโจโฉเห็ น, นเราปีถึงสีมาก่อ น, นุ่มพวกมาอ่านดูรู้เนื้ความว่าเราปีตั้งตัวเป็นเจ้าดังนั้นก็โกรธแต่จากใจความของหนังสือเนี่ยเขาจะว่าไปแล้วเราปีไม่ได้ตั้งตัวเป็นเจ้าที่ปึก ษ, ษาทั้งพวงให้เต็มและเราปีก็บอกกล่าวไปที่ขบเจ้าทํากัน ทั้นี้ควรนะักเนี่ยนี่ยหนังสือก็ว่าอย่างงี้แต่ทีนีที่โจโฉเจอเห็นน่ะโจเมงเต็นนี้อาจเจอเห็นตามตัวหนังสือนั่นได้ก็ต้องเห็นไปตามความที่ตนเห็นคือก็ต้องเห็นว่าเราปีตั้นตัวเป็นเจ้าอ่ะสิโจโฉก็โรกรธถึงก็ดาเล่าปีที่ว่าไอชาดทอเสือขายมาตั้งตัวเองเป็นเจ้า คุณเก็บคำจัดจะใได้แลว้โวโจโฉก้าวหนังสือหนึ่งไว้ไมิได้บอกมิได้ําขึา้นกลางปูไม่จะเรียนเตะไปอย่างใดอ่ะโดยท่านเป็นใหญ่อยู่ในเมืองหลวงนี่หนังสือใครจะไปจะมาก็ต้องผ่านท่านทั้งนั้นระออกก็เก็บหนังสือเลยซเลยเก็บคาสั่งไว้อย่างนั้นแหละแล้วก็สั่งให้ตราตรึกองทัพแกยกไปลบกับเลาตีโฉโฉสังเปลี่ยนภาพเลย ขนาดนั้นบุคคลสําคัญะนะนะครับและสําคัญมากเลยด้วยในตามขก้รตอนต่อๆไปคือชูมาอี้ฝ่ายชูมาอี้จึงทูลว่าคือตอนค่อนยิงตอนนี้โจโฉก็เป็นเจ้าแล้วนะนะครับพระเจ้าวีอ๋องเนี่ะโจโฉเนี่ยมีตรงแค่คําว่าทูล น, นะชูมาอี้จึงทูลว่า อย่าเพิ่งยกไปให้ทหารลำบากก่อนเลยข้าพเจ้ามีอุบายสิ่งมิพักตองส่งทหารไปรบอะจะให้เล่าปีนะ่ะมีภัยเกิดขึ้นในเมืองเสฉวนต่างๆเองอถ้าเห็นว่าเสฉวนอิดโรยอ่อนกำมังแล้วจึงค่อยยกไปให้มีชายช่นะแต่โดยง่ายสุมาอีวายังนี้ โจถัวได้ฟังก็ดีใจก็ถามว่าท่านจะทำระการใดฉันใดอ่ะสุ ม, มาอีกก็จริงว่าสุ่งการปั่นสิ่งกวรยกน้องสาวให้เราปีมัน้นควรที่เราจะยุเยังสิ่งกวรให้มีความโกรธเล่าปีไปทิ้งเอาเมืองเกงจิวคึืนจากเล่าปีเสียเล่าปีหรือจะให้โดยง่าย เมื่อเป็นแค่นั้นทั้งสงฝ่ายเสฉวนกังตังก็จะเป็นอรีกแกกันและวจิ้งชารมีมีผิปาาไปเกลี้ยกล่อมขุนกวนให้ยกเข้าตีเมืองเกงจิวครั้งรอบปีหรือว่าขุนกวนตีเกงจิวก็จะยกฐานเมืองเสฉวนและเมืองฮันสงลงมาช่วยเมืองเกงจิวต่อบพายหลังเมื่อกันตังเสฉวนรบกันแล้วต่อบพายหลัง ท่านจึงยกทหารไปตีเมืองหันสงเมืองเสฉวนเราปีก็จะต้องเป็นธุระพวัตพวนทั้งสองฝ่ายมิอาจจะให้กลับไปให้กองทัพกลับไปกลับมาเพื่อช่วยเหลือกันได้และเราก็จะได้ใช้คนะโดยง่ายนี่เจ้า โ, โฟังอุบายของซูมาอี้แล้วนีออ่ซึ่งทีเดียวไม่มีใครได้คิดมาก่อนเลย โฉดโฉดได้ฟังดังนันก็เห็นด้วยก็เขียนหนังสือแล้วก็ให้เบือนธงถือห น, นังสือนี้ไปหาผู้กวรยังเมืองกันตังขุมาอีเริ่มเดินกลมากการเมืองยังสำคัญขึ้นทีเดียวแล้วบัด น, นี้หนังสือเจ้ามิเตเห็นคูโต๊ะถูกส่งไปยังกังตังล่ะ ขุ่กวนรื่วบวนทงถึงสือโจโฉมาถึงนี่ก็ให้อาคนมามาปรึกษาทีได้วว่าแบรนี้โจโฉให้บวญธงมาหาเราเนี่ยจะเป็นประการใดอย่างไรฝ่ายเตียวเกียวผู้เท่าหายแผ่นดินผู้เป็นที่ปรึกษานี่ก็จริงว่าโจโฉกับเราแต่ก่อนมาก็เป็นข้าติดกันอยู่ แต่เห็นเราเป็นพวกกับเราปีแล้วโจโฉก็จินี้โดยรบกับเรามาช้านานและซึ่งโจโฉใช้บุญธงมานี้เห็นจะประนอมกับเร า, าจงให้รับบุญธงเข้ามาเถดก็ต้องมีการประมาณการกันก่อนเขาจะมารูปหมายประการใดอย่างไรสุขควรได้ฟังเกลียวพูดจาที่แกงดังนั้นก็จึงให้ขุนนางไปรับบุญธงเข้ามา ทนพงเข้ามาถึงก็คำนับและก็ยื่นหนังสือให้แกสุนกวนสุนกวน ร, รับหนังสือมาคลี่อ่านดูเป็นใจความว่าเรามิได้ไปมาหากันช้านานก็เพราะเล่าปีมาตั้งตัวเป็นเจ้าเมืองเสฉวนและเมือฮงฮั่นเซงทิ้งขาดไม่ตีกันถ้ากระไรก็ให้ท่านเร่งไปรบเอาเมืองเกงจิวเถิด ก็จะยกไปรบเมืองหันสงและเมืองเสฉวนเหล่าปีก็จะภาวะผวัาสองฝ่ายเห็นจะไม่อาจชู้เราได้ภายหวังเราค่อยแบ่งปันกันแล้วเราก็จะสร้างความสัตย์นี้ได้คิดเบียดเบียนกันเลยมีหนังสือโจโชมีมาเป็นความเนี่เอาฝุ่นควันเด้แจงในหนังสือดังนั้นแล้ว ก่แต่งโตให้แกบวนทงกินโต๊ะเสร็จแล้วมีกธรทมเนียมประเพณีเขาแล้วก็ไปอยืนนะโกนกกนไปรับแขกมือและสุโงก็ปรึกษาหารือกันระหว่างคุนนางทั้งวงของตนว่าโจโฉมีหนังสือมาดังนี้ท่านทั้งวงเห็นประการใดโตหยงก็จินว่าซึ่งโจโฉว่ามาดังนี้ก็ชอบอยู่ ควรเราจะรับคำให้บุญธงกลับไปบอกจโจโฉให้ยกกองทัพไปตีกระหน่ํตอบภายหลังเราค่อยทหารไปสอดแนมดูว่าควรอูนี่จะทําประการใดอย่างไรและจึงค่อยทําการกันตอบไปเออโกยงแนะนำอย่างนี้คือว่ากันได้แั่ก็คือว่ามิสู้จะแน่ใจเหมือนกันมันสือมีว่ามายัางนั้น เราจะทำแบบนั้นเลยเนี่ยจะได้หรือไม่จะต้องดูก่อนนี่จะต้องดูก่อ น, น, ออนให้ฐานไปกอดแม่ดูก่อดจู่กัดกินจู่กัดกินก็ถิอว่าแกขึ้นกวรว่าข้าพเจ้ารู้ว่ากวนอูซื่อตั้งอยู่ในเมืองเก่งจิวนั้นเล่าตีก็ขอมีให้แกกวนอูจนเกิบดบุตรสองคนเป็นหญิงคนหนึ่งชายคนหนึ่ง อันบุดรหญิงกวนอูนั้นก็ยังหาสา ม, มีมิได้ข้าพเจ้าจะขอเป็นพ่อสืบไปขอบุตรหญิงกวนอูให้แก บ, บุตรท่านถ้ากวนอูยอมให้แล้วเราก็จะคิดการกับกวนอูไปกําจัดโจโฉเสีแต่ถ้ากวนอูไม่ยอมให้เราก็จะช่วยโจโฉรถเอาเมืองเกงจิวมีจู่กัดกิน พี่ชายจูกัดเหรียญพบหลงของเบงวางให้อย่างนี้สุ้นกวนเล็กฟานจูกัดกินว่าอย่างนี้นี่เห็นชอบด้วยทีเดียวก็จิงสั่งให้ส่งตัวบทนทองกลับไปเมืองหูโตแล้วให้จูกจัดกินเนี่ยไปเมืองเกงจิว กลิไปถึงเมือนเก่งผิวก็เข้าไปแต่ทำขมับแต่กวนอูจูกแกะกลิ่นก็ตอบบักข้าพ เ, เจ้ามาครั้งนี้ด้วยซุ้กวนเนี่ยก็มีบุตรชายคนหนึ่งมีปัญญาหลักแหลมรู้ว่าทัางมีบุตรหญิงคนหนึ่งจึงให้ข้าประเจ้ามาสู่ขอหวังจะได้เป็นมิตรกันทั้งสองฝ่ายจะได้ช่วยกันกํนจาจัดโจโฉซึ่งข้าปเจ้าว่ามาทางนี้เนี่ยเป็นการมงคล ขอท่านจงได้พิเคราะห์ดูให้ควรเถิดจู ก, กัะกินมจราจาความอย่างนี้แล้วก็ว่าการนี้เป็นการมงคลดังนี้เราค่อยคิดกันนิดนีด่ว่ามงคนไม่มงคนโดยการใดอย่างไรควายกวนอูสิกวนอูตอนนี้เป็นเจ้าเมืองเกงจิ้วเป็นทหารเสือเป็น น, า, า, นายหรวมสถาบันเ่ายื้เตะปี เป็นตอนี้เป็นเจ้ามือเชชนเป็นเจ้าฮัเโปงเลยนี่ยังไงก็ตามเถอะกวนกูเนี่ได้ฟังกูกระตินมากล่าวสู่ขอบุตสาวนี่ก็โกรธทีเดียวก็จริงว่าอันบุตรของเรานี่เป็นชาติเชื้อเหล่าเสือไม่สมควรจะให้แกสุนัขถ่ามาว่าดังนี้เนี่ยถ้าเรามิคิดเห็นกันหน้าคงเร่องน้องท่านแล้วก็เราจะฆ่าท่านเสียทีเดียว ยังไม่ว่าไปอีกเลยนี่กวอูว่าเท่านั้นแล้วข้ายทหารขับจูกัดินหออกไปเสียจูกรดิง น, นี่ยเห็นกวอูกโกรธเอา ง, ง่ายๆอย่างเนี้ยก็ตกใจกลัวแต่ครั้งก่อนมีกฎพีนึงได้มาขอมเมืองกวนอูก็โกรธเอาหนะนี่บัดนี้มาพูดดีๆพูดการมงคนเนี่ยกูก็โกรธเอา ง, ง่ายๆอย่างนี้ให้ฐานขับออกมาเลยเนี่ย กอกาสกินก็ตกใจกลัวรีบ ก, กลับไปหาสุ่มกวนเลยทีเดียว หนิวมาด้วยความหวาดกลัวเออพอมาถึงกลางตังก็เข้าไปหาสื่อกวนก็ต้องบอกอะบอกความตามที่สื่อกวนว่าทุกประการนะก็ว่ากันเยาะเยาะประดากันเป็นชาสิซุ่มะเตยอย่างเนี้ยไม่ต้องกล่าวซ้ำละสื่อกวนได้ฟังก็โกรธก็จึงว่าเหตุไหนกวนอูจิมาดูถูกเราดังนี้ และซุ้มควรก็เรียหาเตียวเกียวคุณนังท่าวมาปรึกษากันดีหรือวาแนี้เร า, าะจะไปตีเอาเมืองเกงจิวจ๋วเจมประกันได้นี่คุ้มควรรุกกระทสะขึ้นมาละก็จะเป็นไปตามแผนที่สุมาอีวางให้โจโฉกระทำมาทีฝ่ายเปาจิที่ปรึกษาคนหนึ่งก็จริงว่าอันโจโฉเนี่ยคิดจะไข่ชิงเอาสมบัติพระเจ้าฮินเตยอยู่คนนานแล้ว แต่เพราะว่าโจโฉเกลี่เล้าปีอยู่ทีนี้อาจทาการได้ระบัดนี้ให้คนผีเหมือนฝีมาให้เราไปตีเอาเมืองเกงจิ๋ว่ก็เหมือนหนึ่งจะแกล้งเอาไผมาให้เราสิ่งตัวนี้กำลังโกรธ ม, มากนิดก็จึงพูดว่าพี่ท่านว่านี่มิชอบแต่เหล้าปีนะล่อเลี้ยงเราว่าจะคืนเมืองเกงจิ๋วให้เราแล้วก็มิให้ เรามีความแคนอยู่นานแล้วสุดเกวียวยางเพิ่มเป็นแค้นติดโขอยู่ในใจสุดเกลียวยังหนักหนาทีเดียวสูญเสียมายทหารใหญ่แห่งเมืองกังสคู่บา ร, รมีไปเลยทีเดียวก็คือจิวยี่แล้วก็ต้องเสียน้องสาวอีกคนหนึ่งเสียบ้างเสียเมืองด้วยอย่างเนี้และทําอะไรไม่ได้เลยระบัดนี้ถูกหนาว่าเป็น ไอ้ชาสุนัขอย่างนี้เนี่ยแม่ละสุนโคนก็ใช้คำว่าเรามีความแค้นและแค้นอยู่นานแล้วปาจิตก็จึงว่าบาัดนี้โจหญิงนักคุมทหารมาอยู่รักษามเมืองอ้วนเสียแฮรวัวตุนอยู่รักษามเมืองทรงยงนี่ก็เป็นทางบกหามีแม่น้ํากัน้นมาเหตุใดไม่ไปปีเอามืองเกิียวหรอ คือได้โจโฉจึงไม่ส่งโจหญิงหรส่งแหลวลดุ้นไปปีเมืองเก่งจิว๋วหรอจะให้รอไปตีเนี่ยท่านยังไม่คิดเห็นวกาประหลาดอีกหรือท่านจงใช่ทหารไปหาโจโฉ ว, วาะให้โจหญิงไปรบเอาเมืองเก่งจิ๋วถ้าอ้วนอูรู้ก็จะยกไปปีเมืองอ้วนเสียแล้วท่านจึงวกไปตีเอาเมืองเก่งจิว๋วถ้ากระทำชนิด ก็เห็นจะไม่ขัดสนปู่ปาวติกับวานแผนให้ดีก็ไม่ขัดแกโทสะของสุ่นกวนเท่าไรนะครับเพียงแต่ออกจะเนิ่นช้าไปสักน้อยแต่ผลนั้นอาจจะสำเร็จสุ่นกวนได้ฟังก็เห็นชอบด้วยก็จึงไปหาถึงซื้อไปบอกโจโฉให้ใช้โจหญิงไปรบเมืองเกงจิ๋วแต่ความก็กล่าวกันโดยยออเลยทีเดียวะ ว่าโจโชได้หนังสือนั้นก็มีความยินดีก็ให้บวนทงไปช่วยราช ก, การเป็นที่ปรึกษาโจหญิงึูงตังอยู่ในมเมืองอ้วนเสียนั้นและโจโฉก็ตอบหนังสือไปถึงขุนกวนว่าถ้าดังนั้นท่านจงยกเป็นทับเรือไปเห็นจะตีอาบอนเกงจิ๋วได้ไม่ขัดสน เขาตีเมือนเก่งผิวของกวนตูผู้ลืมขาขารักษามเมืองที่ธราจารย์หกหลงของเบ่งจูกก่กะเลี้ยงให้ไวเนี่ยอวนอนลืมขาถาสำคัญนีสเะ้คือว่าถ้ากัางตังมาคือสุ่มกวนมาให้ถูกไมตรีวัดผ้าโจโฉมา โดยประการใดอย่างไรก็ตามรบลูกเดียวอ้วนอ้นลูมคาถ า, านี้ไปทีเดียวได้ปักไมเกรีจากเมืองต่างๆสิ้นเชิงชนิดบันิเก่งจิ๋วกำมันตกอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่ทีเดียวทั้งฝ่ายล่าวปีสึ่งเป็นเจ้าเมืองหันโตงหันต๋งองราวปีซึ่งเป็นเจ้าเมืองหันตงอะ ก็สั่งการให้อวี้เอี้ยงคุมทหารไปตั้งอยู่ในเมืองเสฉวนตัวกลางนีเลค่ะคือตอนนี้มาอยู่ฮันตงแล้วเพราะเสฉวนน่ะอยู่ไกลขึ้นไปหมายความว่าไกลาจากฮูโต้ไกลาจกลากกังตังขึ้นไปอีกเนี่ยรอบปีก็ส่งอวี้เยียงขึ้นไปรักษาส่วนรอบปียกกองทัพอ่ายกกองทัพกลับมาใงเสฉวนแล้วก็เลยสั่งวา่า และจัดแยงบ้านเมืองบริบูรณ์แล้วก็ให้นามเมืองใหม่ให้ชื่อว่าเมืองเซิงโตแล้วก็ยัให้กาเตรียมซ่องสมบัตะแต่ทหารขค้น่องฟากราอาวุธที่จะทำสงครามพร้อมทุกประการฝ่ายทหารที่ไปเที่ยวสอบแนนะก็เป็นธรรมดาดังกล่าวแล้วว่าวเมืองใหญ่รั้มเมืองโตนี่จะต้องส่งทหารออกไปคอย สราบข่าวของเมืองต่างๆอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะบ้านเมืองที่เป็นศัตรูคู่ศึกกันด้วยแล้วก็จะต้องรู้ข่าวรู้าวล่ะผู้ทำหน้าทีน่นี้เมื่อได้ข่าวก็นำข่าวมาแจ้งแก่เหาปีวะข้าพเจ้าได้ยินว่าโจโฉกับซุนเปวนคิดกันจะยกกองทัพไปปีเอเมืองเกิงจิวนี่คือข่าวรายงานสั้นๆมาถึงเหาปีชนี้เหาปีรันรู้ดังนั้น ก็ปึกษากับคงเบ่งว่าสิโจโฉจะยกไปตวเมืองเกิงจิวนั้นเห็นว่าจะจริงหรือประการใดคงเบ่งก็รึงบอกเขาพระเจ้าคิดเห็นว่าโจโฉจะต้องยกมากจริงด้วยบัก น, นี้โจโฉสึ่งกวนก็ถือว่าเป็นพวกเดียวกันแล้วและก็มีคนดีที่ปรึกษามา จะให้โจโฉใช้โจหยิงมาตีเมืองเกงจิ๋วเป็นมั่นคงหยุดนีมคงเบ่งกล่าวดังนี้ซึ่งก็เป็นความจริงทุกประการละเหล่าปีก็ถามต่อไปว่าถ้านดังนั้นเราจะคิดอ่านประการใดสงเบ่งก็จงว่าควรที่เราใช้ทหารถือหนังสือไปตั้งอ้วนอูให้เป็นผานเสือที่เอก มีคือปั้งไปหานเสือกันหมดแล้วอวยอูเตียวฮุจูลงฮงตงอ่าพวกนี้เป็นเอ่าฮงตมาเฉียวห้าคนไปฐาเสือทั้งหมดแล้วแต่บัด น, นี้ให้ปังกุณูขึ้นเป็นทาหารเสือพี่เอกหานเสือที่มึงเลยแล้วให้คุณอูรีบไปตีเอาเมืองเอื้อนเสียให้ได้ก่อนเห็นว่าขาดศึกจะเสียทีและจะท้อใจ คงเบ่งวางแผนให้แบบนี้ต้องไปก่อนเราปีเดนนียนกันก็เห็นชอบด้วยก็จึงชใช้บีสีถือหนังสือไปให้แต่อวนอูณเมืองเกงจิว๋วตามคำที่คงเบ่งวาง คนรั้นรู้ว่บิสีมาจากเสฉวนนี่ไข่คนไปรับเข้ามาเห็นหนงนะางนาถิญสมควรได้เคารพกันตามประเพณีแล้วก็ถามว่าท่านมานี้ด้วยเหตุประการใดบิสีก็ตอบว่าพระเจ้าเราปีนี่ไงตอนนี้เป็นพระเจ้าเราปีแล้วพระเจ้าเราปีให้ข้าพเจ้าถือกลามัดตั้งท่านให้เป็นทหารเสือที่เอก เป็นทหารเสือที่เอกวูรู ก, ก็จึงถามว่าพี่ทหารเสือทั้งห้าเนี่ยตั้งทูกใดบักมีสีก็ตอบว่าคือท่านหมื่นเตียวหุยหมื่นจูโ ล, ล่งหมื่นม้าเขียวหมื่นหองตรงหมื่นเป็นห้าวูรูได้ฟังก็โกรโกร อ, อีกทีเดียวลวก็จึงว่าเตียวหุยอะ ก็เป็นน้องของเราจูเล่ของเราก็ติดตามที่เรามาช้านานแล้วก็เหมือนเป็นน้องของเราฝ่ายม้าเชียวนั่นแหละเป็นชาติเชื้อตระกูลอู่นี่คุณูยอมรับคนเรานี่มนไหครับเตียวหุ่นี่แน่นอนนะจูเล่หนีวนอูนี่นับผีฟินนี่จูเล่มาอ่าส่วนมาเชียวนี่ ก็เป็นผู้มีชาติเชื้อตระกูลก็มาดเพ่งผันเป็นจาเมืองมาก่อนหรือว่ามีเชื่อมีตระกูลแต่ฮองตงคนนี้เป็นแต่เชื้อพลทหารชาติต่ำแต่เป็นคนแก่ชาราหาคนจะตั้งให้เสมอด้วยเราไหมซึ่งมีกตามาดังเนี้ยเรายังหายอมไม่ก่อนคือไม่ยอมรับนี่กวนอู เป็นดังนี้เรามาคิดๆกันให้ดีบิสีไ้ฟังกวนอูพูดอย่างนี้ก็เราะแล้วก็จริงว่าสึ่งท่านโกรธ ว, ว่ากล่าวดังนี้มิชอบด้วยประเวณีก็มีมาแต่ก่อนเมื่อครั้งเสียโหโจดฉัาสึ่งทำรชัชการด้วยพระเจ้าหันโกโจมาก็เป็นพิชอบประทยัยสไยครั้นอยู่มาหันสิง ซึ่งอยู่ด้วยพระเจ้าชอปลา อ, องอ่ะแต่พระเจ้าชอบปลา อ, องน่นหมายนับถือหั่นสิงว่าหั่นสิงเป็นคนตระกูลต่ำนี้ฮันสิงจึงหนีมาเป็นข้าทหารทำราชการด้วยพระเจ้าหันโกโจคุมทหานไปปีเอาเมืองพระเจ้าชอปลา อ, องได้พระเจ้าหันโกโจก็ยังปูนบำเหน็จตั้งให้เป็นขุนนางอันมียศไปกินเงืองเจ๋หั่นสิง น, นั้น มียศศัตด์มากกว่าเสียวโหโจฉำซึ่งเป็นข้าหลุนเดิมมันเสอีกเสียวโหโจฉำก็ไม่เคยมีใจคิดอิจฉากันมีบิสีกล่าวความาดังนี้ทีเดียวและซึ่งท่านกับเล่าปี่ก็ได้ปฏิญาณเป็นพี่น้องกันตัวท่านก็เหมือนพระเจ้าเล่าปี่ซึ่งมัดบ้าง ตื่นตั้งแต่งมาเนี่ยขอท่านจงเห็นแกราชการเถิดอย่าถีเลยจงรับเอาตราตั้งนี้ไว้เถิดหนึ่งบิดสีพู้จาว่ากล่าวมาดังนี้ถ้าจะว่าไปแล้วถ้าจะพูดกันแบบให้โกรธกันเลยทีเดียวนี่ก็ต้องพูดว่าอ้วนอูท่านอย่าอีฉาหองตรงเลยแต่บิดสีนี้ได้พูดเช่นนั้น ย, ยกเรื่องราวต่างๆมาประกอบและก็ยกให้เห็นว่า เอโจฉันสิ่งเป็นขุนนางคนสนิทของพระเจ้าหันโกโจมาก่อนนะ่ะก็ยังไม่อิจฉาหัน่นฝิ่นคนต่าสกุลนั้นเลยแล้วอวนตูท่านยายเล่าที่มีใจอิจฉาเขาฉะนั้นแต่บิสีก็ไม่ได้ถูกอย่างนี้เป็นแต่ผู้เล้ยงอ้วนอูคิดกันเองอนีเราเปีทรงคนมาถูกเรื่องทีเดียวบิสีพูดจาขี่แกงได้อย่างดี ควนอูนั้นก็จริงว่าอืมแต่แรกเราหาทางคิดใหม่ต่อท่านมาว่าดังนี้เราจรึงคิดขึ้นได้ถ้าหาไม่เราก็จะได้ความผิดควนอู ย, ยอมรับแล้วก็รับเอาปลาป้า่ไว้เมือ่อควณรับปลาป้นะครัมีสีก็เนือกือรับสั่งของแล้จะเหาเาตีอ๋ออกแจ้งไปวนอูอีกฉบับหนึ่งว่า ให้เจเราปีให้ท่านยกทหารไปเอาเมืองเอื้อนเสียให้ได้อุนอูก็รับทำตามรับสั่งก็จรช้ยเตาสุญิงและบีหองสองนายเนี่ยคุมทหารเป็นทัพมาไปตั้งอยู่นอกเมืองเกงจิ๋วให้พร้อมกันแล้วก็จึงให้พลังานแต่งโตมาให้บีสีถูกมาจะเสฉวนกิน แล้วก็เรียนรู้กันอยู่จนเวลายามเสรโดยมีผู้เข้ามาบอกว่ากองทัพมาซึ่งให้ออกไปตั้งอยู่อยนอกเมืองเกิดเพลิงไหม้ขึ้นแล้วเกิดเหตุขึ้นเฉยๆคนดูโดฟังก็ตกใจใส่เกาะแล้วก็ขึ้นมารีบออกไปทีเดียวบัญชาการให้หันดับเรืองและก็รู้ว่าเป่าสุญหญิง กั บ, บิฮองเนี่ยสาระวนเสกตุราอยู่ไม่ได้เอาใจใสร่ราชการบกพ่องต่อหน้าที่ทีเดียวไม่ได้มีการตรวจตราระมัดระวังเกิดเพลย์ขึ้นครั้งนี้ด้วยความประมาทนะจึงเกิดเพลย์มาขึ้นเนี่ยขันกวนอูให้บัญชาการให้ดับเพลย์แล้วก็กลับเข้ามาแล้วก็เรียกหาตัวเต้าสูหญิงกับบิฮองเข้ามาเลยทีเดียว ตัวอูอให้อาบุคคลทั้งสองเข้ามาคือเตาสูญหยิงกับบิทฮองเน็ตและก็เริ่มชําระทีเดียวว่า เราใช้ให้ท่านยกออกไปตั้งค่ายอยู่นอกเมืองแต่อย่างนี้ท่านจะได้ยกทับไปท่านก็ทำให้โผล่ไหมเสบียงและเครื่องสากราผู้คนป่วยเจ็บเป็นอันมากทาให้เสียราชการไปท้งนี้เราจะลงโทษเสียก็มิดได้กล้าขอพันเราจะยกโทษให้เสียก็มิดได้คุณเอือวอย่างนี้ยกโทษให้ไม่ได้ ก็จึงฝันในหารนี่เอาตัวเป้าซุยยิงกับบีฮองไปฆ่าเสียบิสีก็จึงทักทานขึ้นวาบิสีนี่ก็ต้องกล่าวว่าเป็นคุณนางผู้ใหญ่ที่มาจากเสฉวนนะ่ะก็จึงทัดทานว่าท่านจะยกทัพไปทาสงครามเป็นการใหญ่อยู่อันจะมาฆ่านายทหารไปดังนี้อไม่สมควรเลยจะเสียเลือดไปกวนอูยังไม่หายโกรธ ก็กลาวเอาทีเดียวแล้วก็จึงว่าต้องซื้อหญิงกับมีหงเนี่ยถ้าเราไม่เห็นกับมีสีผู้มาห้ามไว้เลแล้วเราจะตักหัวทั้งทั้งสอง่า ท, ทีเดียวและในฝุดกวรอู ก, ก็สังามให้เอาตัวคนทั้งสองเนี่ยไปเบยซะคนละส0ิบทีแล้วให้ถอดออกเสียจที่แม่ทับกองหน้าถอดตำแหน่งถอดยศพอดตำแหน่ง แต่แต่ก็ยังให้บีฮองเนี่ยไปอยู่รักษาเงินงําขุนคือถอดแต่ตําแหน่งแม่ทัพไม่ให้เป็นแม่ทัพไปละให้ไปอยู่รักษาเมือขุนคนหนึงให้เปาสุยินไปอยู่รักษาเมืองกลางอ๋มแล้วก็สมทับไปว่าแบบนี้เราลดโทษกันไว้ครั้งนีงถ้าและเราไปทําสงครามมีชัยกลับมาภายหลังถ้าทําความผิดอีกเราจะประหารชีวิตทันเจีมีหงเปาสุยิน ด้วยความเอาประโยชน์แก่ฐานทั้งตัวยิ่งนะักแล้วก็ด้วยความกลัวก็ต้องไปตามคำสั่งของกวนอูฝ่ายกวนอูนั้นเอาเมือปลดแม่ทัพตั้งสองแล้วก็ตั้งให้เลี้ยงหัวเป็นแม่ทับมาให้กวนติงเป็นทัพหลัง มาเลี้ยงอิเกียเป็นที่ปรึกษาอิเกียมีเป็นคนเก่าคนแก่เลยทีเดียวแต่จงรักภัดีตลอเปีมากเราปีก็ให้อยู่เมืองเกงจิวกับอวนอูเนี่ยเอาอวนอูให้มาเลี้ยงกับอิเกียเป็นที่ปรึกษาอ้วนอูนั้นเป็นกองหลวงให้กล้าเรียนผ่านพร้อมไว้ได้เลยจะยกไปลในขณะมันอวนอูก็ได้ว่าแต่งงอปั้ง คือเป็นบุตรของงอหัววาท่านมีคุณเมื่อเรายกออกจากบานโจโฉท่านได้ช่วยชีวิตเราไว้ครั้งหนึ่งเราก็คิดถึงคุณอยู่ทีครั้งโจโฉหักบานตอนนั้นอ่าก็ได้งอปั้นเนี่เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือควนูก็กล่าวดังนี้ยังเรียกถึงคุณอยู่แะเบบนี้สิเราจะยกทับไปแล้ว ขึ้นจงไปเมืองเสฉวนกับบิสสีไปอยู่ด้วยพระเจ้าหันตงเถอะพระเจ้าหันตงหันตงอง๋องหรือพระเจ้าเหล่าปีคือเหล่ายวนเตนปีนี่แหละคุณอู ก, กล่าวดังนี้ให้ไปอยู่กับพระเจ้าหันตงเถอะและคุณอูให้เงาบปั้นไปกับบิศสีเพื่อไปทํำราชการอยู่กับเหล่าปีนน่นเมืองเสฉวน ันแล้วกวอูก็บูชาเทวดาอังกษาธงชัยแล้วก็นอนกวนอูนอนหลับไปฝันเห็นว่ามีสุกรตัวดนึสุกรดำตัวใหญ่ใหญ่โตเท่าทเท่าโคือคือโตหมูโตเท่าวัวตัวดำอ่ะฝันอย่างนั้น ว่าจะสุกรนำตัวใหญ่นั่นมากัดเท้ากวนอูกวนอูออก็กระดีฟันสุกรนะเจ้าสุกรนั้นก็สูญหายไปกวนอูอก็สะดุ้ตกใจตื่นขึ้นมาเขาจึงให้หาอวัยวเป่งบุตรเลี้ยงเข้ามาและก็เล่าวความฝันให้ฟังกวนเป่งบุตรเลี้ยงก็ทำลายฝันให้แก่กวนอูผู้บิดาว่าซึ่งสุกรกัดเอาเท้าท่านนั้น ให้อื่นไกลก็ได้แก่มังกรท่านจะได้ดีเป็นที่สูงสักประเสริฐกว่าคนทั้งตวงวนี่กวรแข่งทําไมให้อย่างนี้คือจะร้ายจะดีประการใดอย่างไรท่านว่าให้ทําไมาดีถ่ายเดียวก็แล้วกัทนทุ่ ง, งเช้าเอากวรอูก็เลยทหารทั้ตวงกลับมาพร้อมกันแล้กวก็เราความฝันในฐานที่อย่ฟังอีกทหารทั้งตวงกัดทําทไมกันว่าร้ายบาั่งดีบับง่งต่างกันไป ควมอู ก, ก็จริงว่าอายุเราก็ถึงห้าสิบเศษแล้วจะเป็นประการใดอย่างไรก็ตามเถอะอันเกิดมาเป็นชายจะได้กลัวแก่ความตายก็หาไม่ขาะนั้นก็พอดีคนถือนังสือแต่มีเสด็จข้ามาแจ้งละ่ะบัดนี้เหล่าปีซึ่เป็นข้าเจ้าหันตงนั้นมีรับสั่งซ้ำมาตั้งให้ท่านเป็นฐานเอกฝ่ายมาก ถืออาญาติดเป็นใหญ่ในหัวเมืองทั้ง9ซึ่งขึ้นแก่เมืองเกงจิว๋วนี่กวนอู ก, ก็รับตามรับฟังทหารทั้งปวงก็ถืงว่าพร้อมกันที่เดียวว่าซึ่งท่านฝังนั้นและได้รับรับฟังชะนี้ก็สมกันแล้วความจริงก็จริงตามควรเป่งทํานายเหมือนกันแหละจะได้ดีเป็นที่สูงสักกระเสดกว่าคนทั้งปวงเนี่ย ก็ได้เป็นใหญ่เป็นทั้เอกฝ่ายมากถืออาญาสิตเป็นใหญ่ในหุ้มหนึ่งทั้งเก้าท่งขึ้นไปเก่งจิ๋วย่เนี่ยออกคนอูก็มีความยินดีความฝันนั้นปรากฏว่าในยกฐานบรรดาศักเช่นนี้จากนั้นก็ยกทหารไปโดยทางใหญ่ตรงไปยังเมืองทรงหยง โจยินซึ่งอยู่เมืองอ้วนเสียครั้นรุกวนอุยกองทัพมาจะตีเมืองทรงหยงก็ครั่งครามโจยินก็เกณฑ์ทหารรักษาบ้านเมืเป็นปวดขันเต็กหนวนผู้เป็นทหารรองก็ว่าแต่โจยินว่าพระเจ้าวีอ๋องมีรับสั่งให้ท่านไปชักชวนสุ่มกวนให้ยกฐันหนืองกลางฐานบรรจบกันไปปีเมืองเกงจิว๋ว แต่บัดนี้กวนอูแห่งเกงกิ๋วนะ่ะกลับยกกองทัพมาตีเมืองเราชนี้เระเหมือ น, นหนึ่งเอาชีวิตมาให้เราเราจะย่อท้ออยู่ไรควรที่จะยกออกไปต่อสู้เด็กวนอูเถอะนี่อ่าเต็กหนวนได้ว่าถึงเช่นนี้เบือนทงซึ่งกำลังปรึกษาอยู่กับเจอญิงนเนี่ย แด่ยินเตะเมนว่านั้นก็จึงห้ามโจยินว่าอันกวนอูนเนี่ยมีกำลังและมีสติปัญญาความคิดเป็นอันมากซึ่งท่านจะต่อสู้เด็กเขานั้นเห็นขับสมจนเป็นแต่รักษามเมืองมั่นไว้แต่ภายในนิเถออย่าได้ยกออกไปสู้รบเลยเบือนธงค้างขึ้นละ่ะไฟแห่หัวจุ้มแห่หัวจุ้มนะครับก็จึงว่า บัวนทมเนี่ยเป็นแต่คนรู้หนังสือเท่านั้นหารู้สึกการสงครามไหมเราก็เป็นชาติทหารมีหรือจะกลัวแก่ความตายเขายกทัพมาน่ะแต่ทางไกลทหารก็ต้องเด็กเดีอดเว่อเห็นว่าหาเอาชนะเราได้ไหมอ่ะแค่นี้จะเกรงใยญแก่กวนอูนีแฮรเวตจนเก็เชือแถว เหวตุแ ห, ว, หวเอียงและโจหญิงได้ฟังแหวหวตุ้นว่าอย่างนี้ก็เห็นชอบด้วยก็จึงให้นบนโถงข้ามไปรักษาหนึ่งอื้เสียส่วนตัวโจหญิงนั้นก็นยกฐานออกมาจะรบดิกวนอ้อูฝ่ายกวนอูยกทัพมาถึงเห็นเจหญิงยกออกมา สั่งกวเนเป๋งกับเลี้หัวว่าท่านออกไปรถ ก, กับโจหญิงแล้วจึงกระทําเป็นแพ้แต่หนีมาเถอะนี่กวนอูชาอูบายกวรเป๋งเลี้ยวหัวกรับคากวรอูยกหลังออกไปส่วนเลี้ยหัวนั้นอขีมามาข้างหน้าคือขีมาขึาน้นนาไปก่อนฝ่ายโจหญิงนั้น ก็ให้เต็กหนวนขีมาออกร บ, บด้วยกระบวนเพลงรบบนหลังมากับเรียวหัวล่ะยังไม่ทันจะถึงเพลงเลยเรียวหัวขับมาหนีไปแล้วเดี๋ยวก็พาฐานถอยหนีไปตั้งท่ายไกลไปประมาณ200เส้เนครั้งรุ่งเช้าอ้วนเป็งกับเรียวหัวก็ยกออกไปรบอีกอ้วนอูสั่งแล้วว่าทําทำแพ้ทำแตกทำหนีเนี่ย มีตามแผนก็า่ะเอาโจยิ้นกับแพรหัวจุ้นและเต็กหมือนก็ยกออกรถเบรกเลี้ยวหัววนเป่นก็เขารถรถแล้วก็ทำเป็นแปดนีเจอยิ้นก็ไล่ตามไปอีกไล่ตามไปไกลประมาณ200เสน้นบัดนี้ก็ดึงเสียงหัวร้อนหนักขึ้นัง จริงให้ทาหารที่ไล่ไปข้างหน้านะ่ะถอยกลับมาเลียวหัวกับเอวเป่งนั้นก็กลับฐานน้วงไล่กลับมาเหมือนกันโจยิมบตดนี้พอดแจ้งแต่เราเป็นคนอุบาย เ, าเ้าแค่แล้วที่เขาหนีเนี่ยเขารอตัวะหากให้มาตกในวนล้อมอยู่นี่ก็ตกใจโจหยิ่มก็พาฐานหนีข้ามมาทางเงินงทรงหยงเลยคือทิ้งเมืองเอวนเสียเลยอ่ะ มนีมาทางที่จะไปเมืงทรงอยงนิดก็พบกวนอูขี่มาถือเงาใหญ่สกัดทางอยู่โจหินตกใจสะดุ้งหวาดกลัวนี้อาจจะสู้ได้ด้วยถามกรงเป็นที่ยินนะ่ะโจหินก็รัดทางหนีข้ามกลับไปทางเมืองอนเสียอีกกวนอูก็ไล่ติดตามไปก็ได้พบแห่หัวจึ้งยกขับเสียงทางลงมา ก็เข้ารบ ก, กับอ้วนอูด้เพลงนีง่งอ้วอูก็ฟันด้วยเงาวูกแพรหัวตุ้นตกมาตายฝ่ายกวนเต๋งลูกเลี้ยงกวนอูนะก็ขับมา้าไล่ฟันเตกอ้วนเตกห้วนถูกกวเนเต๋งฟันด้วยเงาตัวขาตกจากหลังม้าลงไปตายเป็นแบบสองทันของเจ้าหญิงตายทั้งคู่เลย